เรื่องนี้เกิดมานานกว่า20ิปีแล้วตอนนั้นผมมีโอกาสไปเที่ยวกับเพื่อนๆที่ย้ายไปทำงานกับอาของพวกมันที่นั่นเพื่อนผมสองคนนี้มันเป็นลูกพี่ลูกน้องกันชีวะโต้งกับชายรถส่งผมถึงแพร่แต่เช้าผมมาถึงร้านเพื่อนอามันดูเป็นคนดุดุเงียบๆแกไม่ได้พูดอะไรกับผมเพื่อนก็บอกกับอาว่า เพื่อนมาเที่ยวด้วยจะไปเชียงใหม่กันแล้วมันก็ให้ผมเอากระเป๋าไปเก็บที่ห้องบนชั้นสองผมเดินขึ้นไปปกติลักษณะของบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านไม้เก่าๆเป็นห้องแถวติดถนนในเมืองเป็นบ้านสองชั้นที่ชั้นสองพอเราเดินขึ้นบันไดไปได้ก็จะเจอห้องข้างหน้าเลยกับอีกห้องคือห้องทางซ้ายมือข้างบันไดด้านหลัง จะมีทางเดินเล็กๆเรียบราบันไดก็จะมีหน้าต่างบ้านใหญ่พอมองลงไปก็จะเห็นเป็นห้องครัวหลังบ้านผมเดินตรงไปห้องข้างหน้าก่อนเพราะไม่รู้ว่าจะนอนห้องไหนดีเพราะเปิดประตูเข้าไปก็ตกใจเล็กน้อยเพราะมันสกรปรกมากๆฝุ่นเกลดพื้นมองรอบๆมีเตียงไม้แล้วก็ที่นอนเก่าๆมุมห้อง มีลังกระดาษมีผ้าสีขาวแต่สกรปรกจนเหลืองคลุมไว้ตอนนั้นเพื่อนผมไอ้ชายก็วิ่งหน้าตาตื่นขึ้นมามันดึงตัวผมออกจากห้องรีบปิดประตูพร้อมพูดด้วยน้ำเสียงตื่นตื่นว่าเฮ้ยห้องนี้เข้าไม่ได้ห้ามเปิดด้วยอากูรู้โดนเปิงแน่มันพาผมไปห้องข้างบันไดแต่ตอนมันปิดตาผมเหลือไปเห็นพยันสีแดง แปะตรงบนหน้าต่างด้วยใจคอก็ไม่ค่อยดีแล้วต่างถิ่นด้วยคืนนั้นหลังปิดร้านเราก็ออกไปกินข้าวกันก่อนจะกลับเข้ามาร้านอีกทีก็ราวๆสี่ทุ่มกว่าเข้ามาในร้านผมเห็นอามันหลับแล้วที่แปลกก็คืออามันนอนบนเก้าอี้พิงสำนักงานที่ปรับเอ็นไม่ได้มีเก้าอี้กลมวางต่อเป็นที่วางขาตอนแรก นึกว่าแกเผลอหลับแต่แกห่มผ้าอย่างดีเลยคำถามได้ใจมาทันทีทำไมไม่นอนห้องข้างบนบ้านวะผมกับเพื่อนนอนด้วยกันสามคนคืนแรกผ่านไปด้วยดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันที่สองเพื่อนขออามันหยุดงานพาผมไปเที่ยวที่แพะเมืองผีเรากลับมาใกล้ค่าแล้วทันเวลาช่วยอามันปิดร้านพอดีอามันบอก พวกมึงเฝ้าร้านดีๆนะกูจะไปนอนบ้านเพื่อนเพื่อนมึงจะได้ไม่อึดอัดกูด้วยฟังเหมือนใจดีแต่เพื่อนผมสีหน้ามันเปลี่ยนผมเห็นมันหันมาบนกันเองเอาตัวรอดอีกแล้วคืนนั้นเรานอนด้วยกันตามปกติผมแปลกที่เลยนอนไม่หลับหาหนังสืออ่านมั่งฟังเพลงจากซาวเบลมั่งสมัยนั้นไม่มีมือถือเวลาราวเที่ยงคืนจะตีหนึ่ง ผมตัดสินใจปิดทุกอย่างเพื่อจะข่มตาหลับแต่ก็ต้องสะดุง้งโหยงสุดตัวเมื่อจูจ่ๆไอชายเพื่อนผมก็ลุกขึ้นนั่งพร้อมตะโกนเสียงดังว่าครับผมผมจะลงไปเดี๋ยวนี้ครับตอนนั้นตกใจสุดๆผมมองดูเพื่อนตอนนั้นเห็นชัดว่ามันหลับตาสนิทมันลุกขึ้นแล้วก็เดินออกจากห้องทั้งที่ทยังหลับผมมองไอ้โต้งที่หลับสนิท เขย่าตัวก็ไม่ตื่นแล้วตอนนั้นก็ได้ยินเสียงเปิดประตูบ้านผมคิดในใจสวยแล้วมันจะออกไปไหนวะผมก็เลยรีบวิ่งลงไปดูภาพที่เห็นคือไอ้ชายที่ยังหลับตาสนิทยืนข้างประตูเอามือกลุมไปข้างหน้าโค้งหัวให้ใครก็ไม่รู้ก่อนที่มันจะเดินกลับเข้ามาผมงงหนักเข้าไปอีก คิดว่าไอ้นี่คงละเมอแล้วผมเห็นมันจะเดินขึ้นบ้านโดยไม่ปิดประตูร้านผมเลยวิ่งไปปิดประตูก่อนจะรีบตามมันขึ้นมาบนบ้านแต่ก็ท้องสะดุ้งอีกรอบเพราะเห็นมันยืนท่าเดิมคือกุมมือก้มหัวแต่ตอนนี้มันยือนอยู่ที่หน้าห้องนอนติดถนนหน้าบ้านที่มันห้ามผมเข้าไปแต่ที่ทำผมอึ้งหนักกว่านั้นคือตัวเองเห็นประตูห้องนั้นค่อยๆแง้มปิด ตอนนั้นผมยืนตรงบันไดก้าวขาไม่ออกตำแหน่งที่ยืนก็พอดีหัวพ้นพื้นชั้นสองระดับสายตาจะพอดีกับการเห็นพื้นประตูค่อยๆเลื่อนปิดตอนนั้นผมมั่นใจว่าตาของผมไม่ฝาดแน่ๆผมเห็นชายผ้าสีหลืองแดงค่อยๆเคลื่อนหายเข้าไปในห้องพอประตูปิดสนิทเพื่อนผมก็เดินกลับเข้าห้องนอนไป ผมค่อยๆเดินขึ้นตาก็คอยมองเหลียวประตูห้องนั้นกั ว, ว่าอยู่ดีๆประตูจะเปิดออกงานนี้คงมีหัวโกร๋นนาทีนั้นผมกลัวมากๆเช้ามาผมมาถามเพื่อนว่าเมื่อคนืนเป็นอะไรจู่ๆเดินละเมอลงไปเปิดประตูร้านนี่จะ่าไม่ตามไปปิดให้มิหวังของหายหมดอามันได้ยินก็ทำหน้าแบบวิตกอย่างเห็นได้ชัดส่วนไอ้ชายก็ปฏิเสธหัวชนหม้อ ว่ามันหลับปกติไม่ได้ละมืออะไรสงสัยกลัวโดนอามันด่าบ่ายวันนั้นอามันออกไปธุระผมเลยไม่ได้ไปเที่ยวไหนกันไกลคำอามันกลับมาสั่งให้อีโต้งเอาแม่กุญแจไปใส่ประตูห้องหน้าบ้านไอโต้งลังเลก่อนจะชวนผมกับไอชายไปเป็นเพื่อนห้องไม่มีคนนอนจะล็อกเพื่ออะไรผมเห็นแบบนั้น หลอนหนักเข้าไปใหญ่เลยทีนี้คืนนั้นผมข่มตาหลับจนหลับไปแต่ก็ต้องสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงไอ้ชายโวยวายผมออกไปดูภาพที่เห็นก็คือโต้งนั่งยองๆบนริมหน้าต่างหลังบ้านทำท่าเหมือนจะโดดลงไปข้างล่างไอ้ชายพยายามยือ้อผมเลยเข้าไปช่วยลากมันลงมาภาพที่เห็นคือมันหลับตาสนิทผมคิดว่า นี่คงไม่ใช่เรื่องปกติแล้วผมกับไอาชายปลุกมันจนตื่นท่าทางมันดูตกใจกลัวเช้ามาผมเลยเข้นเอาความจริงกับพวกมันบอกให้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังไม่งั้นกูจะกลับบ้านแล้วไม่ไปเชียงใหม่แล้วสุดท้ายพวกมันก็ยอมเปิดปากเล่ามันสองคนเล่าว่าเมื่อก่อนร้านนี้เป็นร้านของคนจีนแก่ๆคนหนึ่ง อยู่กับลูกสาวอามันกับเพื่อนอีกคนมาขอทํางานด้วยเพื่อนของอามันแอบชอบกับลูกสาวเจ้าของร้านแต่อยู่ได้ไม่นานคนจีนเจ้าของร้านเกก็มาเสียชีวิตไปแบบกระสันหันลูกสาวแกเสียใจมากไม่มีญาติที่ไหนเลยแถมต้องมาดูแลร้านต่อเพื่อนอามันถือโอกาสเข้าหาจนสุดท้ายก็มีอะไรกัน ตอนนั้นเพื่อนแกอู้ฟู่เลยอาเพื่อนผมก็เหมือนเป็นลูกน้องแกลยแต่เพราะเป็นเพื่อนสนิทกันหรือไม่ได้มีปัญหาอะไรจนกระทั่งพอเงินเต็มกระเป๋าเพื่อนของอามันไายก็เริ่มออกจากเป็นคนเงี ย, งยบๆเรียบร้อยก็เริ่มออกเที่ยวกลางคืนยุคนั้นซ่องโสเพณีค่อนข้างเปิดพอเที่ยวหนักเข้าก็เริ่มติดใจสุดท้าย ก็มาบอกอามันว่าอยากจะเลิกกับแฟนคนนี้เล็ดจะไปอยู่ที่อื่นกับแฟนใหม่หาแกก็พยายามรัง้งบอกน้องเขาเป็นคนดีทําแบบนี้น้องเขาจะเสียใจแถมตอนนี้มันก็มีชีวิตที่ดีแล้วเดี๋ยวดิ้นรนพาตัวเองกลับมาลําบากอีกทําไมสุดท้ายลูกสาวเจ้าของร้านรู้เรื่องว่าคนรักอยากเลิกคงเป็นเพราะหัวอ่อน เธอเริ่มรับสภาพความห่างเหินไม่ไหวรู้สึกโกรธแต่แสดงออกไม่เป็นเก็บกดวันๆไม่พูดไม่จาเก็บตัวแต่ในห้องวันหนึ่งจูู่เธอก็มาคุยกับอาเพื่อนผมเธอบอกว่าถ้าสุดท้ายร้านนี้ไม่มีใครดูแลเธอยกให้อาเพื่อนผมดูแลต่ออาต้องรับปากว่าจะไม่ทิ้งร้านนี้ไปไหนป้ารักร้านนี้มากอาแกก็ง ง, ง, ง ตกกลางคืนอาเห็นเธอแต่งชุดแดงผัดหน้าขาวทาปากแดงนั่งกินข้าวคนเดียวเงียบๆอาแกใจขอไม่ดีหวังให้เพื่อนกลับมาเพื่อปรึกษาไอ้เพื่อนตัวดีก็ไม่กลับมาจนกระทั่งประมาณตีสองแกก็ได้ยินเสียงคนร้องลั่นบ้านแกออกไปดูเห็นเพื่อนนั่งร้องแหกปากกับพื้นมือชี้เข้าไปที่ห้องหน้าบ้าน แกเข้าไปดูเห็นลูกสาวเจ้าของร้านผูกกอตายแล้วภาพมันน่ากลัวมากเพราะคนตายใส่ชุดสีแดงตาหน้าขาวปากแดงตาเลือกจ้องของมิงแกตกใจจนทำอะไรแทบไม่ถูกหลังงานศพแกกับเพื่อนนั่งปรึกษากันว่าจะเอาอยัางไงเพื่อนแกบอกว่าน้องเขายกร้านให้มึงดูแลมึงก็เอาไป ส่วนกูจะกลับบ้านอาแกก็ปฏิเสธเหมือนกันเพราะกลัวเกินกว่าจะอยู่คนเดียวทั้งสองเลยว่าจะปิดร้านกลับบ้านปล่อยให้มันร้างไปแบบนี้แหละแม้จะเสียได้เพราะร้านกำลังลุ่งเรืองดีแต่ก็ทำใจไม่ได้ทั้งสองนัดกันกลับพรุ่งนี้แต่เรื่องมันไม่จบง่ายๆแบบนั้นคืนนั้นสองเพื่อนนอนด้วยกัน จนเพื่อนอาแกปวดฉี่เลยจะลงไปเข้าห้องน้ำพอเดินผ่านห้องหน้าบ้านก็ได้ยินเสียงเหมือนคนทำอะไรอยู่ในห้องแกก็สงสัยเพราะห้องนี้ปิดตายไปแล้วไม่มีใครอยู่เลยแกก็เลยเปิดเข้าไปดูก็เห็นเป็นห้องว่างๆไม่มีใครแต่พอจะเดินออกเท่านั้นแหละก็ช็อกแทบเสียสติเมื่อเห็นผีลูกสาวเจ้าของร้าน ตัวใหญ่จนคับห้องยืนตรงประตูหัวติดเพดานจนต้องโค้งตัวชี้หน้าด่าว่าเป็นเพราะมึงทำให้กูตายกูจะตามจองล้างจองผลาญมึงทุกชาติไปเพื่อนอาร้องลั่นจนสลบไปเลยส่วนอาพอแกได้ยินเสียงจะลุกขึ้นไปดูก็เหมือนโดนผีอัมขยับไม่ได้ก่อนที่จะเห็นผีสาวชุดแดงลอยเหนือตัวเอง เอานาซิซีดมาใกล้จนแทบจะชิดติดกันผีสาวพูดว่ากูยกร้านให้มึงมึงต้องอยู่กูไม่ยอมให้พวกมึงทำร้านพ่อกูเจ๊งเรื่องจบตรงที่เพื่อนอาแกต้องเข้าโรงพยาบาลจิตเวชก่อนที่พ่อแม่แกจะไปขอให้พระแถวบ้านช่วยพระก็แนะนำว่าให้ไปขอขมาและสัญญาว่าถ้าลูกชายดีขึ้นจะบวชให้มิสึก ตอนนั้นเพื่อนผมก็เล่าว่าแกบวชจริงๆนะมันเคยไปวัดนั้นกับอามันก็ยังเห็นเพื่อนอาคนนั้นแต่ตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าแกศึกหรืออย่างนะครับส่วนอามันก็จําต้องดูแล ร, ร้านนี้ไปแบบไม่รู้จะทํำยังไงสงสัยแกคงคิดอยู่ๆได้เป็นเจ้าของร้านไม่เอาก็ไม่รู้วันไหนจะมีปัญญาเปิดร้านเองกับเขาผมก็ถามเพื่อนนะวันนี้เป็นสาเหตุ ที่ห้องนั้นถูกปิดใต้เหรอเพื่อนเล่าว่าก่อนหน้าที่พวกมันจะมาฝึกงานที่นี่มีเพื่อนรุ่นพี่ในซอยบ้านที่สกล น, นครเคยมาทำงานที่นี่เหมือนกันมาวันแรกก็ทะลึ่งไปนอนห้องข้างหน้าคืนแรกก็เจอดีเจอผีสาวชุดแดงตัวโตขับห้องมายืนมองพี่คนนั้นก็แทบเสียสติไปเหมือนกันหนีกลับบ้านแทบไม่ทันสุดท้าย มันก็ปิดตายห้องนั้นมันบอกอาเคยเอาพระมาทำบุญบ้านเหมือนกันพระบอกคนก็อยู่ส่วนคนผีก็อยู่ส่วนผีนะโยมพระพูดแบบนี้ก็จบกันทำอะไรไม่ได้ผมถามว่าทำไมพวกมันกล้าอยู่มันบอกอาเป็นน้องของแม่แม่สั่งให้อยู่ช่วยอาพวกมันเลยขัดไม่ได้แถมยังบอก อยู่มาตั้งนานก็ไม่เห็นมีอะไรผมอมึงนั่นแหละมาวันแรกก็ดันไปเปิดประตูห้องงานเลยเข้าเลยตอนนี้ร้านนี้ปิดไปแล้วเพราะสาเหตุอะไรก็ไม่รู้อาจจะเพราะเรื่องมันผ่านมาหลายปีแล้วมันเซ้งของในร้านให้น้องชายอีกคนไปเปิดอยู่อีกที่ร้านใหญ่โตขึ้นส่วนร้านนี้ก็ปิดไปตอนนี้เป็นยังไงก็ไม่รู้ เราตั้งแต่ครั้งนั้นผ่านมา20กว่าปีเพื่อนๆผมก็กลับมาบ้านกันหมดแล้วผมไม่มีโอกาสกลับไปเที่ยวที่เมืองแพร่อีกเลยนี่ก็เป็นเรื่องราวของผมเมื่อ20กว่าปีก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซั s c r คร e และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ